อ่อนออนหอมเกตอดอ่อนๆลำโสมล่ำสีพันดอนมาขอพ้องหน้าข้าเจ้าผู้เพิ่นเฝ้าหากสาบัดหนีฟัองเด้อพวกพี่น้องต่างยกถูกเทียนทองสองมือมา